อบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งที่ะระลึกสูงสุดของชีวิตกราบนมรสการพระครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท้งคณะครูบาอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสับผมมาปรารบธรรมในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าหมอนี่เป็นใครมาจากไหนเนาะ เมื่อก่อนนี้เนี่ยผมก็เคยทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเปียราดอยู่ที่อําเภออู่ทองเกตสุพรรณบุรีเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้เป็นหมอผ่าตัดอยู่ที่นี่นะครับเพิ่งลาออกไปเมื่อสักสองปีตอนนี้ก็คือไปทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีนะครับเป็นแพทย์แต่ว่าตําแหน่งอัตรา จ, จ้างคือไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างที่พระอาจารย์โสพลว่าก็คือว่า อาศัยเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยก็มางานปฏิบัติธรรมบ้างมาปารลบธรรมบ้างนะฮะอาศัยการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยในบางแง่บางประเด็นนะครับที่เห็นว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อญาติธรรมนะครับอนอื่นก็ต้องขออนโมทนากับญาติธรรมทุกท่านโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่แล้วก็ผู้จัดงาน นะที่ทราบข่าวว่าเป็นการจัดงานปฏิบัติธรรมในหมู่ญาติใช่เป็นการ อ, าอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลเนะี่ยให้กับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งผมก็เพิ่งมาร่วมงานในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปงานปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะสำหรับการปฏิบัติธรรมในหมู่ญาติหมู่มิตร ในลักษณะนี้นี่ยครัครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาจริงๆเพราะว่าผมเข้าใจว่าในทัศนคติหรือว่าความเชื่อของครอบครัวชาวจีนเนี่ยการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับหรือว่าการากรตันยูต่อบรรพบุรุษเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคุณลักษณะเด่นมากนะครับของผู้ที่มีเชื้อสายชาวจีนนะครับ ผมเองเนี่ยผมมีความเข้าใจว่าการที่เรามาปฏิบัติทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดนะอย่างสูงสุดนะครับทำไมจึงว่าอย่างเป็นสูงสุดให้ที่เราทำทำมานี่มันไม่ใช่สูงสุดหรือไงฮนะเช่นว่าเราอาจจะมีการตักบาตรนะครับจัดงานพิธีกรรมต่างๆแล้วก็อุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลไปเนะี่ยอันนั้นก็ดีเหมือนกัน แต่ผมเข้าใจว่าที่เรามาทำอยู่เนี้ยมันเป็นการทำบุญอย่างสูงสุดเพราะว่าเราใช้ร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้กับพวกเรามาเนี่ยนะเอามาทำสิ่งที่ดีที่สุดนะอย่างไรจึงเรียกว่าดีที่สุดนะครับเราก็เอาความเห็นนะครับขององค์พระพุทธเจ้านะครับที่ทั้งตรัสไว้ว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติหรือว่าการกระทําอะไรก็แล้วแต่เนี้ยยังมีความบริสุทธิ์หรือว่ามีความดีมีความประเสริฐไม่เท่ากับบุญ ท, ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสัพถะกรรมฐานหรือว่วิปัสสนากรรมฐานนะครับเพื่อว่าบุญนี้เนี่ยเป็นบุญที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นบุญเหนือบุญไม่ว่าเราจะทําโบสถ์นะครับมากกี่หลังทํากระถิ่นมากี่กอง ถือศีลมากี่ปีนั่งสมาธิมากี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยก็ยังสู้กับบุญที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เจริญสติภาวนาเนี่ยไม่ได้นั่นจะเห็นได้ว่าการที่พวกเราจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยคือถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดเพราะว่าเรามาใช้ร่างกายของเราเนี่ยนะหรือ ว, ว่าจิตใจของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการประกอบความดีอย่างสูงสุดโดยเพราะาร่างกายของเราเนี่ย ถ้าหากเราไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใชนะ้กินนอนอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เลิกแก่ใช่ไหมฮะไม่ได้เลิกป่วยแล้วก็ที่สำคัญคือหาเรื่องตายเป็นที่สุดนะครับไม่ได้มีสาระไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้ พ, พวกเราที่ได้มาทาเนี่ยเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะนะมีความอดทนมีความอดกลั้นนะครับมีสติมีสัมผัชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้เนี่ยนการใช้ทรัพยากรที่ ธรรมชาติให้มาอย่างเกิดประโยชน์ที่สุดเลยนะครับแต่บางทีจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเนี่ยเราก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะมายกมือหรือว่ามาเดินมาทำความรู้สึกตัวมีสติเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรมันจะได้บุญยังไงใช่ไหมคตรงจุดนี้เดี๋ยวก็จะค่อยๆพูดเป็นลำดับไปนะครับแต่ว่าขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจหรือว่าได้มั่นใจว่าสิ่งที่พวกท่านได้กาลังทาอยู่นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ดีที่สุดในชีวิตหนึ่งนะครั้งหนึ่งของการเกิดมาที่เรก ว, ว่าได้ประกอบความดีทั้งต่อตัวเองแล้วก็เป็นการที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเรานะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์ท่านกล่าวเมื่อวานถ้าเราไม่มีเงินเราจะเอาเงินที่ไหนไปให้คนอื่นถ้าเราไม่มีบุญเราจะเอาบุญที่ไหนอุทิศไปให้คนอื่นถ้าใจเราไม่เย็นใจเราไม่สงบ เราจะแผ่ความเย็นแผ่ความสงบนี้ไปให้ใครได้ใช่ไหมดังนตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเรียกว่าต้องหน้าอนุโมทนาด้วยกันทีนี้มีกรณีตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อประมาณปีการที่24ผมได้มีโอกาสไปที่กรุงเทพนะครับเป็นบ้านภรรยาที่ปากซอยเนี่ยก็มีอาซิมอยู่คนหนึ่งนะครับจริงๆก็ เจอซิมเนี่ยมานานมากนะนานมากขยันาซิมเป็นตัว ผ, มผอมๆนะสามีแกตัวอ้วนๆ น, นะครับแกเป็นคนผอมขยันขายของในตลาดยู่ของลาาของขายถุงบ้างอะไรบ้างในซอยในกรุงเทพนะฮะตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยนะฮะก็ผมจะไปบรรยายที่โรงพยาบาลรา ม, มาขาไปเนี่ยซิมก็บอกว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยเดี๋ยวแวะคุยกันหน่อยนะนะครับขากลับผมก็เลยได้แวะคุย ท่าซมก็มาปรึกษาว่าเนี่ยแกนะตอนนี้ก็อายุสักเจกว่าปีแนละ้วมีลูกอยู่8ดคนปรากฏว่ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งตอนนี้คืออายุ39มสเปีนะติดยาเสพติดนะติดตั้งแต่อายุ19ถึงตอนนี้ก็ยี่สิปีนะครับใหม่ๆก็เล่นกัญชาต่อมาก็ยาบ้าตอนนี้ก็ไม่รู้ยาอะไรอยู่นะครับแกมีความทุกข์ใจกับลูกคนนี้มา นะครับมีความทุกข์ใจกับลูกคนนี้มากทุกวันที่แกทำมาหากินอยู่เนียส่วนหนึ่งของเงินก็คือจะถูกลูกคนนี้มาไถ่ไปนะมาขอเมื่อมาขอไม่ได้เนียขาก็จนะทำลายข้าวทำลายของพัดลมอะไรพวกนี้นะข้าวจานหม้ออะไรเนียกระจัดกระจายที่บ้านแกแกก็ทุกข์ใจพยายามพาไปรักษานะแจ้งความตำรวจจับก็แล้วนะครับพาไปรักษาโรงพยาบาลมหาิทยริยเนี่ยนะโรงพยาบาลรามา ภาพอมองกุฎทันญารักในไปมาหมดนะแต่เลิกไม่ได้นะครับเลิกไม่ได้สภาพตอนนี้ของแกก็คือว่าแกต้องเครียดหรือว่กังวลกับลูกคนนี้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาถ้ามันมาเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องเมื่อนั้นนะครับเรื่อยอันหนึ่งก็คือว่าในขณะที่แกเดินไปทํางานทําการอะไรเนี่ยมันก็จะวิตกกังวลเรื่องนี้ขึ้นมานะะ แต่ถ้าเกิดมีการได้พูดได้คุยอะไรกับใครไปกับเพลินลืมไปพักหนึ่งพออยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็จะคิดถึงแต่เรื่องลูกคนเนี้นะครับเป็นอย่างนี้มา20ปีพาไปลดน้ำมนต์ไปอะไรสารพัดตัวเองก็ใส่บาตรนะตักบาตร ท, ทาบุญแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระอนะ้อนวอน อ, อธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะะช่วยให้ลูกของแกเนี่ยพ้นจาก การติดยานีสถทีแต่จนแล้วจะรอดมาถึงตอนนี้20ปีก็คือเหมือนเดิมคือก่อนหน้านั้นคือเขาก็ไม่ทราบหรอกว่าผมปฏิบัติทำนะเขาเข้าใจว่าเป็นหมอนั่นแหละแต่ว่าเขาที่จะปรึกษานี่คือจะปรึกษาเรื่องว่ามันจะมีวิธีการรักษาโลกนี้นะหรือว่าการติดยานี้อีกไหมนะครับเขาต้องการประเด็นนี้นะอีกไหมก็เลยคุยกับแกไปอยู่นานนะเป็นชั่วโม ง, งชั่วโมง สิ่งหนึ่งที่กล้าอธิบายให้ให้กับอาซิมฟังก็คือว่าโรคพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่การรักษาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่สามารถจะจำกัดได้เนี่ยยากเพราะว่ายาเสพติดพวกนี้มันมีทุกซอกทุกมุมฉนัฉ้นไม่ว่าแกจะมีความเพียนขนาดไหนเนี่ยมันจึงไม่สําเร็จนะครับทีนี้ผมก็บอกกับอาซิมไปว่าในแง่ของการรักษาเนี่ยถ้าเรามีปัญญามีช่อ ง, องทางมีแนวทางอะไรก็ว่าไป นะครับทำไปเถอะทาให้เต็มที่ทําให้เต็มที่นะครับแล้วตัวเองเนี่ยต้องป้องกันใจตัวเองไม่ให้ผุกนะครับตรงนี้เนี่ยสาคัญนะฮะเพราะว่าทุกของพ่อแม่เนี่ยสําคัญมากเลยก็คือเห็นลูกไม่ได้ดีหรือว่าถ้าจะพูดให้ชัดก็คือว่าเห็นลูกเลวนะครับเห็นลูกมีความทุกข์เห็นลูกไม่เป็นผู้เป็นค น, นคเป็นความทุกข์ของพ่อแม่หรือว่าแม้แต่บรรพบุรุษ ท, ที่สําคัญมาก ขออนุาพูดย้อนไปนิดถึงว่ า, าถ้าสมมติเราบัณฑรุษกําลังเห็นเรากําลังมาปฏิบัติธรรมนะมายกมือสร้างยังหวะเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะท่านก็คงจะมีความสุขนะนะมีความสุขมีความยดีโอ้ลูกเราเนี่ยทําความดีมันใช้กายใช้ใจที่เราให้มันไปนะนะทําความดีอย่างสูงสุดลนะนอนตายก็เรียกว่าตายตาหลับใช่ไหมแต่ยังอาซิมเนี่ยนะถ้าจะตายในขณะนี้เนี่ยตายตาหลับไหมคงหลับยากนะะ ตรงจุดนี้เนี่ผมก็เริ่คุยกับซิมเหมือนกันนะครับว่าในทัศนะของคนจีนนะผมไม่ใช่เป็นคนจีนแตผมมีความเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่านะครก็คือว่าถ้าซิมเนี่ยมีความทุกข์อย่างนี้อยู่ทุกวันมาสะสมมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่ายี่สิปีนี่นะต่อเมื่อว่าถ้าซิมจะตายขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ซิมจะจิตเศร้าหมองหรือว่ามีความทุกข์มีความกังวลห่วงใยถึงลูกคนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงใช่ไหมฮ แล้วถ้าเกิดว่าเข า, า Ein, ivering. มีความทุกข์มีความเครียดมีความวิตกกังวลในขณะที่จิตจะดับเห็นไหมฮะเขาจะไปไหนใช่ไหมฮะเขาจะต้องไปทุกขติมีอะไรมีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีอสุรกายเป็นสัตว์นรกเห็นไหมฮะงั้นถ้าไปอย่างนี้เนี่ยถามว่าไปไม่ดีแน่แถ้าบรรพุทไปไม่ดีเนี่ยเสนียดจันทรมีสิทธิ์ส่งผลถึงลูกได้ไหมมีไหมเขาว่ามีไหมถ้าบรรพุทไปไม่ดีไปด้วยความห่วงใยวิตกกังวลเนียใช่ไหมฮะ นั้นตรงจุดนี้นี่สําคัญผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถึงต้องปกป้องใจิตใจของตัวเองเนี่ยให้ไม่ทุกข์ให้ออกจากทุกข์ให้เป็นนะก็คือให้มีความสุขนั่นแหละพอพูดอย่างนี้เขาเนี่ยอาซิมหยุดนิ่งเลยนะฮะนั่งตั้งใจฟังเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญมากของคนเชื่อสายจีใช่ไหมแล้วยิ่งผู้ที่มีความเคร่งครัดในตรงจุดนี้เนี่ย <S <S เขาจะมีความตื่นตัวตรงจุดนี้มากมันเป็นไปได้มากใช่ไหมเพราะว่า แกคิดทุกวันวิตกกังวลทุกๆวันเราทําอะไรซ้ำๆเดิมจิตใจของเราทําอะไรซ้ำๆเดิมๆเหมือนตลอดเนียนะฮะและแน่นอนเลยว่ามันเหมือนน้ำเมื่อเราเทลงไปล่องใดล่องหนึ่งนะที่มันไหลเป็นประจำเนะี่ยมันก็จะลงล่องเดิมของมันนะ่ะเหมือนเดิมดงั้นถ้าเรามีความทุกข์มีความวิตกกังวลอย่างนี้บ่อยๆนะครับมีความเครียดมีความหมงุดหงิดมีความเบือ่อหนา่ายเซ็งท้อแท้ซึมเศร้าอะไรต่างๆพวกนี้ แน่นอนเลยว่าโอกาสที่จิตจะดับในขณะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีที่พึ่งภายในแล้วมันจะหลุดซึ่งผลจากตรงนี้เนี่ยกเรียกว่าเสียหายนั้นทุงบอกว่าบรรพาหลุดเนี่ยเมื่อทำความดีทำบุญทำกุศลไว้มากๆเนี่ยนะก็จะส่งผลต่อถึงลูกถึงหลานกี่ชั่วคนก็ว่ากันไปนะผมเคยฟังโอวาสีของท่านเหลียวฝา น, นก็เลยคุยกับซิมว่าถ้าซิมไม่ต้องการหรือไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยนะครับ หก็คือไปทุกขกติ2ก็คือเป็นเสนียดจอะไที่จะส่งผลต่อลูกชั่วลูกชั่วหลานและที่สําคัญก็คือว่าเราจะลดกรรมชั่วของลูกเราได้ยังไงเพราะว่าถ้าลูกมันทําไม่ดีข้างปลาข้าของแล้วแกก็ทุกข์เนี่ยนะผลกรรมอันนี้เนี่ยของกับลูกนะที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยยิ่งมีน้ําหนักมากดังั้นทางเดียวที่อาซิมต้องทําก็คือว่าอาซิมต้องทําใจตัวเองให้ได้นะครับต้องทําใจตัวเองให้ได้ทําใจให้ไม่ทุกข์นะ เริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงยอมรับความจริงนะฮะว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นความจริงของเราจริงมันเป็นผลของกรรมชั่วหรือว่าวิบากชั่วที่มันกําลังส่งผลอยู่นะครับและเชื่อ อ, อันต่อไปที่เชื่อทําความเป็นจริงก็คือว่าเราต้องมองว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีกรรมเป็นของของตัวนะอย่างที่เราสวดมนต์กันใช่ไหมทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวหรือว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเล ฉันอาซิมเนี่ยมีลูก8ดคนมันเน่าไปสั น, นิ้วหนึ่งเนี่ยทำไมอาซิมไม่ไปหาความสุขร่วมไปภู่ิใจกับลูกอีกเจคนที่เหลือใช่มอีกเจ็ดคนที่เหลือก็เป็นคนดีทำสัมมาอาชีพนะแต่เป็นมัวทุกข์ใจอยู่กับไอ้ลูกคนหนึ่งที่มันเหมือนนิ้วเสียเนี่ยนะเหมือนมีนิทานญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าแม่มีลูกสองคนนะลูกคนหนึ่งขายไอศครีมลูกคนหนึ่งขายล่ม วันใดที่ฝนตกนะแกก็ร้องไห้พอลุ่งขึ้นฝนไม่ตกแกก็ร้องไห้ร้องทำไมฝนตกก็ร้องนะฮะฝนไม่ตกก็ร้องไอ้วันที่ฝนตกร้องไห้เพราะอะไรคิดถึงลูกคนที่มันขายไอศครีมเมื่อมันคงขายไม่ได้ใช่ไหมฮะส่วนวันฝนไม่ตกล่ะวันฝนไม่ตกก็ร้องไห้คิดถึงลูกคนที่ขายลุมมั่ก็คงขายไม่ได้เห็นไหฮะ ร้องอยู่สองวันนะฮะวันฝนตกกับวันฝนไม่ตกสรุปก็ร้องทุกวันเลยนะพระญี่ปุ่นเดินผ่านมาเอออาซิมเนียเห็นร้องไห้อยู่ทุกวันเลยฝนตกก็ร้องฝนไม่ตกก็ร้องทุกอะไรหนักหนาเนาะนะก็เลยไปถามแม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เล่าให้ฟังพรญี่ปุ่นก็บอกว่าเอาอย่างงี้สิโยมนะคิดใหม่นะวันฝนตกเนี่ยก็คิดถึงไอ้ลูกคนที่ขายร่มสิว่ามันจะขายร่มได้ พรมีลูกสองคนเนี่ยส่วนวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็คิดถึงลูกคนที่ขายไอศครีมนะเพราะมันจะขายไอศครีมได้เห็นไหมแค่เปลี่ยนมุมมองของความคิดแค่นี้ยอาซิมก็ยิ้มได้ละอ่าฝนไม่ตกคิดถึงคนที่ขายไอศครีมใช่ไหมยิ้มเออมันคงจะขายได้ดีนะวันนี้เนี่ยส่วนวันฝนตกอา้าวไอคนขายล่วมก็ขายได้นะเนี่ยวันเนี้ยเห็นไหมฮะ นั้นอาซิมจะยิ้มได้ทุกวันเลยทีนี้นะแทนที่จะร้องไห้ทุกวันเห็นไหมอันนี้คือมุมมองอาซิมเนี่ยมีลูกเหลืออยู่อีกเจคนที่เป็นคนดีทําไมอาซิมไม่มาพออกพอใจกับลูกคนนี้บ้างนะครับกลับไปจมปลักอยู่กับลูกที่ประพฤติไม่ดีอยู่คนนึงซึ่งอาซิมก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วนั้นต้องวางใจเป็นกลางได้แล้วนะเราได้ทําดีถึงที่สุดแล้วได้ทำหน้าที่ของความเป็นแม่นะผลิตออกมาครบสมบูรณ์มัมีอาการครบสามบสอง ให้การศึกษานะครับพาไปรักษาทําบุญที่ส่วนบุศลให้อย่างเต็มที่ละ่ะที่เหลือคือต้องทําใจอย่างเดียวทําใจอย่างเดียวนะอย่างที่บอกหนึ่งก็คือเริ่มจากการมองโลกให้ถูกต้องมองโลกในแง่ที่ดีบ้างนะมีแง่ดีๆที่ยังมีให้มองนะครับการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราอุปโลกหรือว่าตั้นแต่งเรื่องอะไรขึ้นมาหลอกตัวเองนะไม่ใช่นะอย่างในกรณีของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีลูกสองคนจริงๆ ใช่ไหมแล้วก็ขายได้ต่างวันกันจริงๆแต่มองผิดมุมมันก็เลยทุกร้องไห้ทุกวันนะครับอาซิมนี่กัเหมือนกันมีลูกที่ยังเป็นคนดีมีงานมีงานมีครอบครัวที่ดีอาซิมก็อาจจะต้องมาอยู่ตรงนี้บ้างนะแทนที่จะไปจมปลักอยู่กับลูกคนนั้นนะครับการมองโลกอีกนั้นึงก็คือว่าถ้าเราเชื่อในคําสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะครับท่านตรัสไว้ว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีกรรมเป็นของตัวเองอยู่นะครับมีกรรมเป็นของตัวเองอยู่ นั้นมิบากชโชดที่มันเกิดขึ้นกับเรากับลูกมันก็เป็นกรรมที่เราเคยทํากันมาคนครอบครบัวเดียวกันก็รับผลกระทบกันไปหน้าที่ของเราคือยอมรับและศึกษามันศึกษามันอ๋ออันนี้เป็นผลจากรรมชั่วใช่มหมฉะนั้นถ้าเรายังไม่อยากที่จะให้เจอสภาพอย่างนี้อีกเราต้องทํากรรมดีให้มากๆทํากรรมดีให้มากๆากเห็นไหมคเอามนประเด็นนี้มากับอันที่สองก็คือว่าในขณะที่ลูกคนนั้นนะฮะเา ดูเหมนะือนว่าเป็นคนเร็วสุดๆดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นคนของเขาเนี่ยเขายังมีธาตุแห่งพุท ธ, ธะอยู่นะครับคนทุกคนเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วก็คือว่าทุกๆวิญญาณทุกๆชีวิตมีธาตุของความเป็นพุท ธ, ธะอยู่เขาเรียกมันมีพุทธภาวะมีหรือว่าหน่อแห่งโพธิเนี่ยอยู่เหมือนเพชรนะที่ยังไม่ได้รับการเจรานายด้วยคนพบมันไม่ว่า เขาจะเลวขนาดไหนเขามีสิทธิ์ที่จะกลับตัวได้เขามีสิทธิ์ที่จะพลิกฟื้นได้อาจจะพ้นชาตินี้ไปแล้วก็แล้วแต่นะชาติถัดๆไปก็อาจจะเป็นผู้ที่พลิกฟื้นกลับมาเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่ประเสริฐนะนะครับอย่างเราทราบดีไหมอย่างเช่นพระเทวทัตใช่ไหมฮะถือว่าเรียกว่าเป็นผู้ร้ายมากเลยในสายตาของพุทธศ า, าสนิกชนเนี่ยนะเป็นคู่ปรับพระพุทธเจ้าใช่ไหมเรามองเหมือนว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเอก นะพระเทวทัตเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะคอยอิจฉารฤษยาคอยทําร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้ตอนที่ท่านได้ถูกแผ่นดินสูบแล้วลงไปอยู่เอเวจีมหานรกเนี่ยพระเจ้าพยากรณ์ไว้ว่าพระเทวทัตเนี่ ย, ท, ท, ย, ยท้ายที่สุดหลังจากที่ใช้เวรใช้กรรมไปสิ้นการเป็นอันมากเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดพระพทเทวทัตจะเป็นพัพปัจเจกพะพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนทุกๆคนเนี่ยนะฮะ มีของดีอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นแต่ขณะหนึ่งที่เขากำลังพลาดไปเพราะถูกกิเลสตัณหาอุปาทานถูกยาเสพติดมอมเมาเขาทำให้ดูรู้สึกว่าเหมือนไม่มีคุณค่าแล้วก็เป็นคนเลวแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีของดีมีประโยชน์อยู่ในตัวเขาเองอยู่แต่เราจะมองเห็นตรงนี้ได้อย่างไงไม่มีทางเลยนะถ้าเราไม่เห็นว่าในตัวเราก็มีของดี เข้าใจไหมฮะเราต้องเห็นต้องรู้ชัดเลยว่าโอ้เนี่ยของเราก็มีนะครับการที่จะมองเห็นชีวิตคนอื่นมีค่านะมองเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นมีค่านะครับก็ต่อเมื่อว่าเราเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงการที่เราจะมองเห็นชีวิตของตัวเราเองมีคุณค่าอย่างแท้จริงนะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะถ้าเราไม่กลับมาศึกษาตัวเองไม่กลับมาใช้ตัวเองเนี่ยปฏิบัติเลือกธรรมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราก็คือ การปฏิบัติธรรมสติภาวนาทําให้เกิดพิปัสนาญาตถ้าเราทําอย่างนี้มากๆน ะ, จะเจริญสติไ ป, ไปบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าโอ้ชีวิตของเราชีวิตหนึ่งเนี่ยนะเป็นของที่มีค่ามากธารู้ธาตุพุทธะเนี่ยเมื่อเราพบเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลย ว, ว่ามันเป็นของมหาศักดิ์สิทธิที่ถูกหมกลวกถูกฝังอยู่ในบึงในโคลนในตมในก้อนหินอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันมา น, น, นานนะผมเองนี่ก็ หลงไปกับโลกมา30กว่าปี30กว่าปีจนกว่าจะมาศึกษาพุทธศาสนาจนกว่าจะมาปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นว่ทั้งว่ารู้ว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีค่ามากกว่านั้นอีกเยอะมีค่ามากกว่าความเป็นหมอมีค่ามากกว่าความเป็นสามีภรรยาลูกหรือว่ามีหน้าที่ในการรักษาคนไข้อะไรเนี่ยมีค่ากว่านั้นอีกมากนะครับนั้นถ้าเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปนะครับ มันก็ได้ประโยชน์อยู่แค่นี้มีประโยชน์นะอาชีพเป็นมอเป็นความดีไม่เบียดเบียนใครดีแต่มันใช้ไม่คุ้มอ่ะนึกออกไหมฮะมันมีสิ่งที่สามารถใช้ได้มากกว่า น, นั้นอีกนะเช่นมีก้อนหินอยู่ก้อนนึงเนี่ยเราเจรนได้แต่พลอยนะครับเราได้แต่พลอยนะจริงๆแล้วถ้าเจรนต่อไปนะมันยิ่งกว่าเพชรอีกนะเห็นไหมฮะั้นถ้าเราหยุดอยู่แค่นี้นะหยุดกับข้าการแค่ว่าโอ้เราเป็นคนดีแล้วไม่เบียดเบียนใค ร, <c oughs> ใครเราทําบุญใส่บาศ นะไม่ผิดทํานองครองทำพอแล้วอันนี้เนี่ยแสดงว่าเราใช้ของไม่คุ้มนะมันพรุดให้เราของดีมาสุดๆนะแต่เราใช้ไม่คุ้มตรงนี้น่าเสียดายนะครับั้นถ้าเราจะมองเห็นคนอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เนะี่ยเราต้องค้นพบสิ่งที่มีคุณมีค่าในประโยชน์ของเราเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้นะฮะเราไปคิดเอานะเราพยายามจะคิดเมตตาคนอื่นเราจะไปคิดพยายามให้อภัยคนอื่น จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคิดเอาเนี่ยมันก็ดีแต่ว่านะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจแท้ๆนะมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นความจริงว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยมีของดีอยู่มากๆเลยนะนี่การที่จะค้นพบของดีนี่มันก็ต้องมีวิธีการใช่ั้มมีวิธีการก็คืออุบายของการเจริญสตินี่แหละแต่ทีนี้อุบายของการเจริญสตินี่มีเยอะนะมีหลายแนวทางนะ มีหลายแนวทางบางทีเราไปศึกษามาอะไรมาบ้างเราก็อาจจะได้รู้ได้ยินได้ฟังมาบ้างแต่ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับโดยอาศัยเทคนิคซึ่งเป็นคาแนะนำของหลวงพ่อเทียนจิตตาสุโพนะครับเพราะฉนั้นอาซิมเนี่ยก็เริ่มเข้าใจตรงจุดนี้นะแล้วแกก็ถามว่าแล้วที่แกตักบาสนะครับแล้วก็พอพระให้พอแกก็จะนึกถึงหน้าลูกคนนี้นะแล้วก็พยายามบุตทิศสวรร์ให้ นะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วแกก็จะพยายามนึกถึงให้เนี่ยถามว่าอาซิมบอกว่าอย่างเงี้ยเขาจะได้รับไหมได้รับไหมมีใครรู้บ้างว่าได้รับหรือไม่ได้รับถามผมนะผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอาซิมได้แล้วอาซิมได้เป็นคนแรกแล้วนะครับอาซิมได้เป็นคนแรกเลยนะส่วนจะส่งถึงลูกหรือเปล่าเนี่ยนะผมบอกว่าไม่ต้องสนใจอาซิมยังทําอย่างนี้ต่อไปนะครับไม่เป็นไรทําต่อไป แนหนึงที่แนะนํากับอาซิมไปก็คือว่าถ้าซิมส่งพลังจิต ท, ที่ดีจริงๆให้กับลูกเราไม่ได้นีโอกาสถึงยากนะเหมือนเวลาเราส่งของเนี่ยเราส่งแปะสแตมสามบาทเนี่ยนะโอกาสที่จะส่งถึงที่เชียงรายเชียงใหม่หรือว่าเทศงขาเนี่ยนะนานไหมนานแล้วโอกาสหลุดสูงแต่ถ้าเราติดสแต็มลง e m s นะฮะด้วยวันลงทะเบียนเนี่ยทีนี้มั่นใจไหมมั่นใจเหมือนกันเลยฮะ การแห่ส่วนบุญส่วนอุสนนะครับต้องเกิดขึ้นจากใจที่สงบใจมีพลังมีสพลังสมาธิมีความบริสุทธิ์มีความเอิเบอิ่มเบิกบานถามว่าถ้ า, าซิมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญสติเนในขณะที่อาซิมคิดถึงหน้าลูกเนี่ยนะมันจะมีความทุกข์มมีความสุขใช่ไหมฮะตอนนั่งสวดมนต์มันก็สงบอยู่พอสมควรอยู่ล้วอาจจะสงบแล้วแต่ความชนานาญในการสวด แต่พอจะอุทิศปุ๊บเนี่ยนึกถึงหน้าลูกเนี่ยมันก็แป๊บใจใจละเห็นไหมกระสุนด้านทันทีเลยแทนที่จะส่งด้วยกําลังส่งสูงเนี่ยนะฮะมันก็แตกอยู่แถวนั้นนะฮะก็เลยแนะนำํำบาซิมว่าถ้าซิมต้องการที่จะส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ลูกอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะอาซิมจะต้องวางใจตรงนี้ให้ดีอย่างที่บอกเริ่มแต่การยอมรับเริ่มตั้งแต่การออมองโลกตามความเป็นจริงนะครับแล้วท้ายสุดเลยก็คือว่า อาซิ้มต้องพยายามปล่อยวางในขณะที่สวดมนต์เนะีแล้วแต่ขณะที่แผ่เนี่ยต้องใจให้ต้องนิ่งจริงๆนะต้องนิ่งจริงๆต้องสงบต้องเบาสบายต้องมีบุญอย่างที่ว่าต้องมีปิติอย่างที่ว่านะครับแล้วที่สําคัญคือต้องมีปัญญาด้วยทําไมลูกมันไม่หายโง่สักทีจะโง่ได้ไงถ้าสมมุติว่าแม่ส่งแต่ข้าวให้แต่ไม่เคยส่งหนังสือให้อ่านน อ, อกไหมฮะส่งแต่ข้าวกับเสื้อผ้าไปให้มันก็มีเสื้อผ้าใสา่มีข้าวกินแต่มันไม่มีปัญญา เพราะาอาซิมไม่เคยเจริญปัญญาใช่ไหมส่งของให้เนี่ยส่งให้แต่ข้าวกับเสื้อผ้าส่งให้แต่ความปรารถนาดีแต่ปัญญาที่จะส่งให้กับลูกเนี่ยไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าอาซิมไม่เคยเจริญปัญญาไม่เคยเจริญสติเมื่อปัญญาที่แท้ไม่เกิดมีแต่ความปรารถนาดีห่วงใยแล้วก็บวกกับความไม่ตกกังวลลึกๆเข้าไปอีกเนไหมฮะดังจุดนี้เนี่ยสิ่งที่อาซิมต้องทําเพิ่มก็คือว่าอะไรสิ่งที่อาซิมต้องทําเพิ่มก็คือต้องมีสติ ทำไมจึงต้องมีสติเพราะว่าถ้าอาซิมสามารถมีสติอยู่ได้ทั้งวันใจของอาซิมจะไม่กระเจิดกระเจิงใช่ไหมฮะพอไม่กระเจิดกระเจิงตอนสวดมนต์ไหว้พระจิตพร้อมที่จะสงบนึกถึงเครื่องบินนะฮะเครื่องบินเวลำจะลงสนามบินอยู่ๆมันบินอยู่กลางอากาศแล้วหล่นปุ๊บลงมาล ง, ลงที่พื้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับอีอันนึงเวลาเขาลงเนี่ยค่อยๆลดระดับเพดานบินลงมาแล้วก็ลงจอดอย่างนิ่มนวลใช่ไหมฮะใจของอาซิมก็เหมือนกัน ถ้าฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวันนะแล้วอยู่สวดมนต์แล้วยจะให้มันลงมาเนี่ยนะหนึ่งมันลงยากใช่ไหมฮะลงยากนี่ถึงตอนที่จะแผ่ส่วนบุญเนี่ยนะมันก็แผ่ยากนะฮะผลที่ได้ก็คาดหวังไม่ได้แต่ถ้ า, าซิ้มมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการทํางานน ะ, ะไม่ใช่อยู่กับความวิตกกังวลตรงนี้อใจยาซิ้มจะมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นเจือจารย์อยู่ตลอด มีความสุขมีความสงบใจไม่ฟุ้งซ่านพอถึงเวลาสดมันปุ๊บมันพร้อมที่จะสงบพอจิตมันมีความสงบมีความปลื้มปีติมีความเย็นความเบาสบายซึ่งหลายคนผมว่าใจว่าถ้าใครทําสมาธิได้ดีๆนี่ยก็จะเจอสภาวะอย่างนี้เพราะเมื่อแผ่ออกไปเนี่ยมันก็ยังมีพลังเห็นไหมฮะมีพลังนอกจากนั้นแล้วในขณะที่อาซิมมีสติอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยนะความสุขจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติความทุกข์ที่มันเกิดจากความกลุ่มใจเห็นไหมก็จะน้อยลงไปเรื่อย ภาษาไทยฟ้องเรามากเลยนะความกลุ่มใจกลุ่มอาการกลุ่มคืออะไรเขาเรียกกลุ่มลุมใช่ไหมกลุ่มลุมกลุ้มหลุมก็คืออะไรใจถูกความคิดถูกความวิตกกังวลกลุ่มหลุมเล่นงานหัวใจนะใจกับความคิดใจกับความรู้สึกหรือว่าสุขทุกข์นะฮะยินดียินร้ายเนี่ยนะเป็นคนละอ่านกันนะเป็นคนละอ่านกัน แต่ถ้าใจไม่มีสติป้องกันนะไม่มีวัคซีนนะไม่มีกําลังเนี่ยนะป้องกันเนี่ยใจของเราเนี่ยจะถูกความคิดไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีอารมณ์ดีแล้ว อ, อารมณ์ไม่ดีเนะี่ยกลุ่มลุมใช่ไหมซึ่งอาการกลุ่มลุมเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องสะบักสะบอมมีผลก็คือความทุกข์ความกระสับกระสายความไม่อิสระนะครับนั้นถ้าซิมมีสติอยู่เดินก็รู้อยู่อาการเดิน หันผักก็รู้อยู่การหันผักล้างหน้ารู้อยู่รู้อยู่แล้วมันเผลอไปคิดถึงเรื่องลูกอรู้ทันไม่ตามความคิดนั้นไปกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่มือกําลังเคลื่อนไหวนะรู้แม้แต่การแปลงฟันเราเคยแปลงฟันแล้วรู้สึกตัวอยู่ตลอดมีไหมส่วนใหญ่เราจะรู้ตอนที่เราหยิบแปลงใช่ไหมถู2ทีแล้วเราก็คิดอะไรไปก็ไม่รู้จะมารู้อีกทีก็คือตอนที่เก็บแปลงละเห็นไหมนั้นการที่เราขาดสตินี่แหละทำให้ใจของเราเนี่ยถูกกลุ้มลุมนะครับ ใจเราไม่อิสระฉะนั้นอาการอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าเรามีสติสติจะเป็นเหมือนตัวคอยปกป้องจิตใจเหมือนภูมิคุ้มกันเวลาเรากินอาหารอย่างที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับเราให้อาหารกายใช่ไหมการกินอ า, อาหารการดื่มน้ําการกลับถ่ายการใส่เสื้อผ้าการใช้ปัจจัย4ี่เนี่ยเป็นการบําบัดเป็นการรักษาเป็นการเยียวยารักษากาย แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เจริญสติเราไม่มีสตินี่นะนั่นหมายความว่าใจของเราเนี่ยกําลังขาดการดูแลอย่างแท้จริงนะครับอย่างอาซิมเนี่ยอาซิมไม่เคยได้ยินเลยอาซิมไม่เคยได้ยินเลื่การเจริญสติ <c oughs> ให้มีสติระหว่างวันอาซิมไม่รู้เลยนะอาซิมรู้อย่างเดียวว่าเป็นคนดีเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะเลี้ยงลูกดีที่สุดพอจะมีสติปัญญาบ้างได้ยินได้ฟังจากวิทยุบ้างอะไรบ้างเอ๋อเขาบอกว่าให้ตักบาตรเ้าซิมก็ทําใช่ไหม สวนมนุษย์พระอาซิมก็ทําที่หันมาทําตรงนี้เพราะอะไรที่หันมาทําตรงนี้เพราะว่ามันพึ่งอย่างอื่นไม่ได้พึ่งหมอพึ่งยาพึ่งตํารวจพึ่งอะไรไม่ได้นะต้องอาศัยพึ่งบุญแล้วลนะ่ะแต่บุญก็ทําได้ไม่ดีพอเพราะอะไรบุญจริงๆแท้ ๆ, ทๆเนี่ยเกิดที่ใจเมื่อใจไม่นิ่งใจไม่สงบบุญแทๆ้ๆเกิดขึ้นไม่ได้บุญไม่บริสุทธิ์พอจะส่งให้ใครก็ส่งได้ยาก และที่สําคัญก็คือว่าบุญที่มีความบริสุทธิ์มากมหรือว่ามีพลังมากที่สุดเนี่ยอาซิมไม่เคยรู้จักเลยนะครับก็คือบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีปัญญาเมื่อเราไม่มีปัญญาเราจะแผ่ปัญญาส่งปัญญาส่งความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีปัญญาไปให้ลูกเราได้อย่างไงตึงบอกไงว่าอาซิมให้แต่ข้าวเสื้อผ้าสมมตินะแล้วก็นึกถึงลูกสมมุติว่ามันไปถึงนะลูกก็จะได้ตีกินข้าวกับเสื้อผ้าใส่แต่ลูกจะไม่มีปัญญา นั้นตรงจุดนี้สําคัญนะฮะพ่อแม่ซึ่งอีกหน่อยก็จะเป็นบรรพบุรุษใช่ไหมฮะนั้นถ้าเราไม่สั่งสมปัญญาไว้เราจะเอาปัญญาเช่นนี้นให้ใครใช่ไหมฮะเราจะเอาปัญญาที่อย่างนี้เนี่ยจากไหนเอาไปให้กับลูกหลานของเราใช่ไหมฮะั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดพวกเราไม่ได้ฝึกไม่เคยได้ยินได้ฟังมันผมต้องเห็นว่าทุกๆ ท, ท่านเนี่ยนะที่รวมกลุ่มกันนีมนพระนะจัดกลุ่มขึ้นมาแล้วก็จัดงานปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยจึงถือว่าเป็นงานที่น่าอนุโมทน า, าจริงๆ นะครับเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเป็นการทั้งใช้นี้ทดแทนบุญคุณบรรพบุรุษและที่สําคัญคือกําลังเผื่อแผ่สิ่งนี้ไปสู่บุตรหลานของเราในรุ่นรุ่นถัดไปนะครับแล้วซิมเนี่ยก็บอกว่าแล้วเวลาทำเนี่ยเขาจะทํำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้านะเหตุการณ์เฉพาะหน้านกําลังทุบโต๊ะอยู่เนี่ยเอาพัดลมเคลื่อนหน้าต่างอย่างงี้นะกำลังกินข้าวอยู่แล้วขอเขา ข, ขอตังค์แล้ว อาซิมบอกว่าไม่มีว่าให้น้อยไหมเขาไม่พอเขาทุบจานข้าวทั้งหมดนะฮะแตกกระจายเนี่ยเขาจะทํำยังไงหรืรอแม้แต่บางทีนะฮะเขากลับมาบ้านมาในบ้านเขาอยู่ในซอยนะฮะก็มีคนเดินเข้าเดินออกไอ้ลูกคนนี้มานะถ้าใครมองหน้าเขาเนะี่ยเขาจะเข้าไปชกเขาจะเข้าไปชกเขาบอกว่าพอไอ้ลูกคนนี้มาเนะโอ้ยใจอาซิมเนี่ยไม่อยู่กันเนื้อ ก, กับตัวแล้วนะมันเย็นไปหมดใครมองหน้าเขา เ, เดินรีบเข้าไปเลยนะะ จะไปชกเขาเนจะทำยังไงจะทำยังไงอันที่หนึ่งคือถ้ า, าซิมไม่เคยฝึกไปเลยเนี่ยนะสะติสตางแตกหมดอนะใช่ไหมฮะสติแตกนะใจวิตรกกังวลแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นห่วงห่วงเงินห่วงทองห่วงทรัพย์โอโพัดลมเพิ่งซื้อมาใหม่ๆจานชุดใหม่มันมาทุบแตกอีกแล้วเห็นหแต่ถ้าเราฝึกคิดให้ตลอดนะฝึกคิดให้ทะลุ ปลนะ่อยวางเรื่องทรัพย์สินภายนอกแล้วพยายามมารักษาทรัพย์ภายในก็คือรักษาใจของตัวเองให้ได้เนี่ยตัวเนี้ยอาซิมไม่เคยคิดเลยพอมันทุบทีไรก็เสียใจของก็เสียนะใจก็เสียนะฮะพัดลมก็พังใจก็พังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีความโกรธมีความโมโหเกิดขึ้นแต่ต้องทำลูกไม่ได้นะฮะอย่างที่บอกผลกรรมที่ลูกทําต่อแม่ยิ่งส่งผลมากถ้ายิ่งเรามีการโกรธแค้นยิ่งเรามีความทุกข์ ตามที่เขาทําสมมุติลูกว่าเราทําอะไรที่เราไม่พอใจเนี่ยน ะ, ะแล้วเราก็มีความไม่สบายใจมีความเครียดมีความวิตกกังวลเนี่ยน ะ, ะอันนี้ฮะบาปตกกับลูกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะนั้นวิธีการที่จะลดบาปกรรมให้กับลูกของเราก็คือเราอย่าทุกตามสิ่งที่ลูกเราทำนะฮะต้องรู้ทันตรงนี้นะครับว่าเรารักลูกใช่ไหมเราไม่อยากให้เขาได้รับผลชั่วหรือว่ามีความทุกข์ใช่ไหมฮะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยต้องลด บาป ก, กรรม่ววิบากชั่วให้กับลูกเราโดยการอย่าทุกข์ใจตามนี่บอกว่าอย่าทุกข์ใจตามมันก็คงยากอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกจิตใช่ ไ, ไหมเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราให้มีความทุกข์ก็คืออารมณ์ของเราเองอารมณ์ของเราเองนะฮะที่บีบคั้นใจเราให้ต้องทุกข์เราจะไปโทษลูกอย่างเดียวไม่ได้หรอกจริงๆแล้วตัวการสําคัญที่เราทุกข์ก็คือตัวเราเองก็คืออารมณ์ของเราเองที่มันบีบคั้นใจเราให้เครียดให้วิตกกังวล เหมือนสมัยผมเป็นหมอเนี่ยผมรักษาคนไข้ไปนะฮะมีพยาบาลดูแลไม่ดีนะไม่ได้ฉีดยาแก้ปวดให้คนไข้ผมนะไปถามเป็นไงป้าบอกไม่ได้นอนตั้งคืนเลยหมอเ อ, มเอ้าทาไมล่ะปวดเออเราสั่งยาแก้ปวดฉีดไ้แล้วนี่นะบอกว่าให้ฉีดได้ทุก6ชั่วโมงถ้าเวลาคนไข้ร้องขอทำไมไม่ได้ฉีดเห็นไหมเราเริ่มไม่พอใจทันทีแล้ว เราเริ่มไม่พอใ จ, จทันทีแล้วยังไม่รู้เหตุผลเลยนะยังไม่รู้เหตุผลเลยเห็นไหมพอเราไปถามเขาจริงๆโอ้หมอคนไข้ไม่เคยมาบอกเลยนะหรว่าโอหมอเมื่อคืนเนี่ยนะรับคนไข้สิบคนนะอุบัติเหตุหนักๆทั้งนั้นนะไม่มีเวลาไปถามเลยเห็นไหม mm hmm. เขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่แต่เราโกรธไปแล้ว <c oughs> นะเราเครียดไปแล้วเราทุกข์ไปแล้วเนี่ย อาการอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ทันอารมณ์ของเราเองนะหรือแม้แต่บางคนรู้ทันนะก็จัดการกับมันไม่ได้เห็นทำยังไงจึงจะออกจากความเครียดได้ทำยังไงจึงจะออกจากความดดงงออาวามมิตกกังวลออกจากความทุกข์ได้นั้นถ้าเราไม่เจริญสตินะครับเราไม่มีสมาธิเราไม่มีสตินี่นะไม่มีสติไม่มีความรู้เนือ้อรู้สึกตัวเนะี่ยดูจิตดูใจตัวเองไม่เป็นนะี่นะอาการอย่างนี้นะแก่ยาก แก้ยากหรือจะเรียกว่าบอกอีกอย่างนะึ่งว่าแก้ไม่ได้นะเราจะแล้ที่สำคัญนะยิ่งคนเป็นคนดีมากๆนะครับบางทีเราไปต่อว่าเขานะเฮ้ทําไมซึ่งอาการน้ำเสียงที่เราพูดออกไปเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องมีน้ำเสียงหรือว่ามีเบื้องหลังคือความไม่พอใจนะขออภัยนะไม่แต่หมามันยังรู้เลยนะว่าเราไม่พอใจใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงคนนะที่เวลาเราพูดอุตสาหคมนะเราเป็นคนดีนะต้องพูดจาให้เรียบร้อยหน่อย แต่ลึกๆในใจของเราเนี่ยเรามีความขุ่นในใจพูดออกไปน้ำเสียงอะไรต่างๆแววตาท่าทางมันก็บอกอยู่นะต่อให้ข่มยังไงก็แล้วแต่เั้นเขาก็รู้พอเขาพูดออกมาเสร็จปุ๊บอ๋อเป็นอย่างไงพอเรารู้ว่าอ๋อเหตุผลที่เขาไม่ทําอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยความรู้สึกผิดมันจะกลับมาทับถมเราอีกทีหนึ่งทันทีเลยเห็นไหมฮะเราปรารถนาดีใช่ไหมฮะเราปรารถนาดีทําความดีใช่ไหมใช่เอา้าแล้วทำไมเราทุกข์อ่ะทำไมเราเครียดทำไมเราไม่ตกกังวล แต่ไม่เรางดหยุดไอ้นี่มันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปเห็นไหมฮะมันเป็นบาปตรงนี้ก็ต้องระวังนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยนะปรารถนาดีต่อผู้อื่นญาตนะิพี่น้องนะพ่อแม่ก็เหมือนกันนั้นถ้าเราทําใจของเราไม่เป็นนะไม่มีสติสัมปชัญญะดูจิตดูใจตัวเองให้เป็นเนะี่ยทางในใจของเราเนี่ยนะมันจะทางสร้างทุกข์ทั้งนั้นเลยนั้นใจเรามันมีทางนะเหมือนทางเดิน นะครับเราจะเดินไปสุกติก็ได้เราจะเดินไปทุกติก็ได้นี่มันขึ้นอยู่กับการฝึกขึ้นอยู่กับการสั่งสมขึ้นอยู่กับปัญญาสติปัญญาในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องผ่านก็คือเรื่องของการที่เราต้องลูกสึกตัวให้เป็นนะครับ้นการที่พวกเรามายกมือสร้างจังหวะเนี่ยนี่แหละคือการฝึกให้รู้สึกตัวให้เป็นอย่าเพิ่งไปกําหนดนะอย่าเพิ่งไปหวังผลอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่ามันจะได้อะไร นะเพราะว่าในสายตาของโลกภายนอกเนี่ยเวลาเราทํางานทําการเนี่ยมันต้องได้เนื้อได้หนังใช่ไหมแต่ยกมือเนี่ยนะมันยกเหมือนยกฟรีนะฮะมันไม่ได้อะไรเลยนะแต่อย่าลืมนะในการที่เรารู้ขนาดหนึ่งเนี่ยความไม่รู้เนี่ยถูกกาจัดไปแล้วถูกกําจัดไปแล้วในขณะที่เรารู้สึกตัวว่าเราเผลอไปเนี่ยนะใช่ไหมเรายกอยู่อย่ายกไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเผลอคิดไปแล้วพอเรารู้สึกตัววาบกลับมาว่ามันเผลอไปแล้วเนี่ยนะนั่นแหละความหลงในตัวเราเนี่ยนะ ถูกกาจัดออกไปขณะหนึ่งทันทีในขณะนั้นเนี่ยจิตใจที่มีสติสัพพัญญะอยู่เนี่ยนะครเาเรียกว่าเป็นจิตกุศลจิตกุศลจิตเนี่ยมันจะเป็นจิตที่มีความสุขด้วยตัวมันเองมันสั้นมากนะครับมันสั้นมากเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องจเจริญสติไปเรื่อยๆทำให้ชํานานทําให้ต่อเนื่องพอเรามีสติอยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยนะ ค, ความสุขมันจะค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้นเหมือนกับสีขาวนานๆเราแต้มทีเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยว่าเส้นมันจะไปทางไหน ใช่ไะแต่ถ้าเราแตม้มถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเราจะเริ่มเห็นเลยว่าอ๋อทางสีขาวมันไปอย่างนี้เห็นะใจเราก็เหมือนกันถ้ามันมีความรู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆใหม่ๆมันจะนานๆแต้มทีหนึ่งนานๆแต้มทีหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีแต้มเลย <c oughs> นะเพราะมันเผลอทั้งวันนะมันหลงทงั้งวันดังั้นพอเรามาเจริญสติเนี่ยนะนะมันก็จะเริ่มแต้มจุด แต้มจุดยิ่งเราทำบักมากบ่อยๆแม้ก็เทั่งแต้มถีขึ้นถีขึ้นถีขึ้นเราจะเริ่มเห็นเลยว่าอ๋อในขณะที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันจะสงบนะมันจะมีความเป็นกลางนะมันจะมีการตื่นรู้อยู่นะแต่ในขณะที่เราเผลอไปนะครับไหลไปกับความคิดไหลไปกับการมองเห็นไหลไปกับการได้ยินนะขณะนั้ น, นใจของเราวุ่นวายใจของเราหนักใจของเราเหนื่อยเห็นไมครัพอเราจเจริญสติไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบเลยว่า ใจที่มีสติเท่านั้นแหละจึงจะเป็นใจที่มีความสุขจริงๆเหมือนกับได้อยู่บ้านพ่อบ้านแม่เหมือนเด็กที่ได้กลับมาบ้านมีพ่อมีแม่อยู่อบอุ่นอบอุ่นแต่เราออกไปตลอดตลอดข้างนอกเนี่ยนะจะถูกติกโกตีลันฟันแทงเอาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใจเราก็เหมือนกันถ้ามันแล่นออกไปตามอารมณ์นะพวกนี้เนี่ยอันตราย นะถูกหลอกล่อได้ง่ายถูกหลอกลวงได้ง่ายแต่ถ้าเกิดกลับมาบ้านตัวเองก็คือกลับมาอยู่กับกายเคลื่อนไหวกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยนี่แหละฮะท่านเรียกว่าเหมือนกลับมาบ้านพ่อบ้านแม่าการเจริญสติจริงๆก็คือว่าพาตัวใจกลับบ้านยังไม่ต้องอยากรู้อะไรนะฮะยังไม่ต้องรู้หรือว่ายังไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะได้อะไรเพียงแต่ว่าพาตัวใจกลับบ้านก่อนพอกลับมาบ้านปุ๊บนะความสุขจะเกิดความทุกข์จะลดทันทีเห็นไะทุกคนต้องการความสุข แล้วรังเกียจความทุกข์คราวใดที่เราวิตกกังวลไปเรามารู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเห็นไหมเราสามารถออกจากความเครียดออกจากความวิตกกังวลได้แล้วเราฟุ้งซ่านกับการนอนไม่หลับนะเรามายีนิ้วเล่นเล่นเอาใจมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเคาะนิ้วเล่นเล่นเห็นไหมเราก็จะนอนหลับอย่างใจสงบไม่ฟุง้งซ่านซึ่งฟุ้งซ่านมันหลับยากอันที่หนึ่งหลับยากแล้วฝันอีกต่างหากหลับไม่สนิทเห็นไหมหลับแล้วก็ตื่นง่ายตื่นแล้วก็นอนไม่หลับ แต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวนะหลับก็จะหลับง่ายขึ้นถ้าหลับก็หลับสนิทไม่ฝันถ้าตื่นขึ้นมานอนไม่หลับมันก็ไม่ทุกกับการนอนไม่หลับเพราะเรามีงานทําอยู่อ่ะไม่หลับนะ้ดีแล้วเนะี่พาเดินจงกรมนั่งยกมือสร้างจังหวะนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาเรายิ่งน้อยอยู่นะยิ่งต้องวิ่ง100ร้อยเมตรช่วงท้ายๆของเราเนี่ยเห็นหมมันยิ่งน้อยไม่หลับยิ่งดีนะคนผู้สูงอายุเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยกลัวการง่วงนอน <laughs> กลัวการง่วงนอนเห็นไหมฮะอันถ้ามันไม่ง่วงเนี่ยนะโอเหมาะมากเลยเามาใช้งานซะนะทำให้คุ้มนะครับอวิธีการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องอยากรู้อะไรเพียงแต่ว่าดึงใจเรากลับบ้านให้เป็นก่อนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันออกไปทะเลถลายนอกบ้านนะเป็นแลมหลายสิบปี <c oughs> จะว่าแลมปีแลมเดือนต้องว่าหลายสิบปีนะมันทะเลถลส่งเรื่องออกไป ใช่ไหมรู้นั่นรู้นี่นะห่วงลูกคนนั้นห่วงหลานคนนี้เรื่องที่เรื่องสวนเรื่องไหลเรื่องหน้าเรื่องปากเรื่องท้องนะมันส่งออกไปข้างนอกเลยแต่มันไม่เคยกลับมารู้จักตัวเองสักทีตัวปัญหาที่สําคัญที่สุดนะที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยนะมีความสุขหรือมีความทุกข์นะก็คือการที่เราได้รู้จักตัวเราเองการที่เราต้องรู้จักตัวเราเองเนี่ยเราต้องให้ความจริงมันปรากฏใช่ไหมฮะให้มันปรากฏตามความเป็นจริงฉั้นตัวปฏิบัติของเราเนี่ย เวลาเรายกมือเนี่ยฮะอย่าไปเพ่งมันอย่าไปจ้องเพราะถ้าเราเพ่งเราจ้องเนี่ยฮะสิ่งที่มันป ร, กกมปรากฏก็ไม่ปรากฏตามความเป็นจริงสิ่งที่เข้าไปรู้ก็รู้ไม่จริงนะฮะเวลากําหนดก็อย่าไปกำหนดแรงกําหนดเบาๆรู้เบาๆ ร, ๆ ร, ๆรู้สบายสบายครูบาอาจารย์ท่านนึงบอกว่าให้ทําเล่นๆนะครับทำเล่นๆยกมือผ่อนคลายนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทําความสุขให้เกิดขึ้นนะครับไม่จะทําความทุกนะไม่ใด้ทาไปด้วยความทุกนะ แต่ถ้าความทุกข์มันปรากฏนะนั่นแหละฮะของจริงของดีที่ให้เรามาศึกษามันเป็นของเราทั้งนั้นใช่ไหมฮะความง่วงกับของเราความคิดกับของเราความปวดความเมื่อยกับของเราแต่ทุกวันที่เราไม่เข้าใจเขาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยศึกษาเขาสักทีไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อไอความง่วงเนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับมันยังไงมันจึงจะไม่ทุกข์จึงนิงไม่ง่วง บางคนพอความง่วงปรากฏนะเริ่มงดกิดแล้วเริ่มไม่พอใจเริ่มพยายามหาทางกําจัดเห็นไหมพอมีความคิดมากๆไม่สงบสักทีเริ่มไม่พอใจเพราะเราคิดว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องสงบใช่ไหมแต่การปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราไม่ได้เอาความสงบเป็นเบื้องต้นแต่มันจะสงบเองถ้ามันรู้ความจริงมันจะสงบเองถ้ามันมีความรู้สึกตัว อันในเบื้องต้นเวลาเราต้องวางใจก็คือว่าเราต้องวางใจเล่นๆวางใจใคลายๆนะฮะคิวคไม่ขมวดผูกโบหลังไม่แข็งนะฮะคอไม่ตึงนะครับนะฮั่งยกมือผ่อนคลายขยับทีนึงรู้ทีนึงขยับทีหนึงรู้ทีนึงรู้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งเห็นไหมฮะในขณะที่เรารู้กลับมารู้อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความจริงกายกับใจของเราตามความเป็นจริง ใจที่มันกำลังคิดนึกความรู้สึกที่มันกำลังปรากฏให้เราคอยสังเกตนะสิ่งที่เราสังเกตพบก็คือจะพบว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานะไม่มีอะไรอยู่ได้นานเลยไม่มีอะไรอยู่ได้นานเลยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปวุ่นวายกับมันนะมันจะอยู่นานความคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะแล้วเราไปอยู่กับมันนะไปคิดต่อกับมันไปช่วยมันคิดนะไม่มีจบแนละ แต่พอเรารู้สึกตัวกลับมาอยู่กับกายเคลื่อนไหววุ๊บเนี่ยนะความคิดนั้นดับวกไปทันทีความคิดนึกปรุงแต่งจะถูกตัดถูกทำลายหายไปใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติใจว่างว่างเห็นไหมใจที่เป็นปกติใจว่างว่างเป็นกุศ ล, ลจิตก็จะมีความสุขแรกด้วยตัวมันเองแล้วขนาะเดียวกันมันก็จะมีปัญญารู้ด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญารู้ว่าอะไรที่มันเกิดในใจของเราเนี่ยนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ ไม่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงก็ <men> เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เนกะิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตะั้งอยู่ดับไปนะฮะอยากให้มันเกิดถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดอยากให้มันดับถ้ามันไม่หมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ไม่ดับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราวางใจเป็นกลางๆเฝ้าตามรู้ตามดูเฉยๆสังเกตมันเฉยๆอย่างนะี้นะเดี๋ยวมันจะดับให้เราเห็นนะเดี๋ยวมันจะดับให้เราเห็นจริงๆเลยเราจะเห็นไตรลักษนณะ์ไตรลักษณ์ไม่ต้องคิดเอานะเคยได้ยินไหมฮะไตรลักษณ์ อนนีจังทุกขังอนัตตาเป็นภาษานะเป็นภาษานะไม่ต้องเอามาคิดนะครเพราะใจรักจะปรากฏให้เราเห็นเวลาเรายกมือไปเนี่ยนะลกมือเล่นๆเนนะีเดี๋ยวความมันจะคิดมันจะคิดแล้วพอเรามันคิดไปเฉยๆเราไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวมันก็จะดับเองเพียงแตเ่เรารู้สึกตัวเข้าไว้อารมณ์ก็เหมือนกันความง่วงก็เหมือนกันใช่ไหมความง่วงบางคนเกิดขึ้นมากบางคนเกิดขึ้นน้อยถ้าเกิดขึ้นนิ ด, น ด, นดหน่อยหน่อยเราจะรู้สึกและสั พักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งมันจะดับฉะนั้นถ้าเราพลังสติน้อยๆ น, นะฮะหรือว่าเราพยายามไปจัดการกับความง่วงเนี่ยความง่วงจะอยู่นานมากเลยน ะ, ะเหมือนเงาดําทะมึนครอบจิตครอบใจเราเมาื่อมืดฟ้ามัวดินน ะ, ะตาปลือแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพลังสติมากๆเลยนะมันก็เหมือนกับความสว่างยิ่งสว่างมากมืดยิ่งน้อยเห็นไหมฮะมืดยิ่งน้อยฉะั้นการเจริญสติเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องทําให้เป็นนะครับในเวลาประมาณสามวันเนี่ยนะฮะโดยทั่วๆไปแล้วไม่ควรจัดทําไมจึงไม่ควรจัดเพราะว่ามันเป็นระยะเกลียดกรรมฐานนะครับปกติกรรมฐานทั่วๆไปถ้าจะเข้าในต้องอย่างน้อยเจดวันนะรับเพราะว่าประมาณวันที่สาวันที่สี่เนี่ยมันเป็นระยะกําลังเกลียดวัดสูงสุดนะเกลียนกรรมฐานสูงสุดเพราะาอะไรมันทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งง่วงทั้งฟุ้งซ่านสารพัดนะฮะ สารพัดทำให้เราเข็ดแต่ถ้าพ้นจากวันที่3ามวันที่4ี่ไปได้เลยนะครับจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยเราจะเริ่มสัมผัสถึงความสงบเย็นได้นะครับนั้นพวกเรา3ามสามวันก็ไม่เป็นไรนะบอกไว้ก่อนว่าอารมณ์กรรมฐานมันเป็นอย่างนี้เองนะครับทุกคนเป็นอย่างนี้ผมก็เป็นอาจารย์กําพลก็เป็นพระครูบาอาจารย์ก็เป็นนะครับแต่ถ้าเราขยันนะเราทําต่อปิดคอร์สที่นี่แต่ก็อย่าไปปิดจริงนะพยายามทําในชีวิตประจําวันของเรา นะครับยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวในทุกๆอิริยาบถพยายามใส่ใจที่จะรู้สึกตัวอยู่กับกิจกรรมนั้นๆให้ได้ถ้าเราทําได้อย่างนี้นะฮะมันก็เหมือนเวลาเราทํางานเวลาเราหยอดอมสินนะฮะเราได้เงินบาทเงินเฟื้องเงินสลึงมาเราก็ขยันหยอดหยอดเท่าที่เราจะไปหยอดได้เห็นไหมฮะกระปุกมันก็เต็มเร็วแต่ถ้าสองสาวันหยอดทีสลึงนึงอย่างเี้นะฮะเมื่อไหร่มันจะได้เงินไปซื้อข้าวซื้อของที่อยากจะซื้อได้สักที เราต้องการความสุขที่แท้จริงนะความสุขที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นจากการที่มีใจสงบใจมันสงบไม่ได้หรอกครับถ้ากิเลสตัณหาอุปาทานมันวิ่งของบ้านของเมืองอยู่นะเหมือนห้องอันนี้นะถ้าปล่อยให้คนขี้ยามานอนเล่นนะคนขี้เหล้ามานอนเล่นเนี่ยเละใช่ไหมฮะเหมือนกันใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ความไม่รู้ปล่อยให้ความหลงปล่อยให้ความเผลอเนี่ยมันก็ชักศึกเข้าบ้านแต่ถ้าเอามีพระมีผู้ปฏิบัติธรรมมามีตำรวจมีทหารมาเฝ้าไว้ มมันก็สบายห้องนี้ว่างสะอาดใช่เราจะใช้งานทำอะไรก็ง่ายสะดวกใช่ไหมใจเราก็เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะเรามีสติสัมปชัญญะแล้วจะทำให้เราเห็นชีวิตของเราตามความเป็นจริงการที่เราเห็นชีวิตของเราตามความเป็นจริงได้ว่ากายธรรมชาติันเป็นอย่างนี้จิตใจธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จะทำให้เราสามารถเกี่ยวข้องกับเรื่องของกายอย่างถูกต้อง ไม่ได้ยึดถือกายหรือว่าปล่อยวางความยึดถือกายได้มากที่สุดจิตใจเป็นอย่างนี้เราเกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายในจิตใจได้อย่างถูกต้องทุกมันจะลดลงเห็นไหมเป้าหมายคือทุกลดลงนะฮะเราทําอย่างอื่นมามากเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ว่าเราลองมาลิมรสนะรสชาติของธรรมะที่ทําใจเนี่ยนะให้สงบให้มันมีความสุขให้มันมีปัญญาให้มันปล่อยวางร่างกายให้มันปล่อยวางตัวมันเองให้ได้ ถ้าเราทำได้มากเท่าไหร่นะใจเรายิ่งสงบเป็นอิสระมากขึ้นนะเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะอยากมากยึดมากทุกมากอยากน้อยยึดน้อยทุกน้อยไม่อยากเลยไม่ยึดเลยไม่ทุกเลยเห็นหั้มฮะเพราชีวิตที่เราทุกอยู่เพราะเรายึดไอ้ที่มันยึดเพราะมันไม่รู้เห็นไหมมันยึดเลยอยากนะยิ่งอยากยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งอยากนะก็เรียกวงจร อ, อุบาทนะครับ วิธีการที่จะออกจากวงจรนี้ต้องรู้ความจริงรู้ความจริงของชีวิตของเราให้ได้เราจะรู้ความจริงได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเจริญสติให้ถูกต้องมีความรู้สึกตัวกลับมาดูตัวเองกลับมาดูใจตัวเองกลับมาดูจิตตัวเองเวลามันคิดมันนึกเวลามันรู้สึกมันเป็นยังไงถ้าเราสามารถที่จะรู้ทำตรงนี้ได้นะเราจะสามารถเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องซึ่งผลจากการที่เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องนี่แหละความสุขจะปรากฏขึ้นและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยเหตุปัจจัยภายนอก ไม่ต้องรอลูกมาเยี่ยมเราไม่ต้องได้กินอ่ารอได้อาหารได้ดูหนังได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆได้บ้านหลังโตๆนะนะครับลูกหลานจะเป็นยังไงเรื่องของเขาแต่ใจเรามีความสุขมันจะพอได้ตัวมันเองนะเขาเรียกพอใจใช่ไหมมีความพอใจพอที่ใจนั้นถ้าใจมันไม่พอนะมันไม่พอเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความสุขมันจะพอได้ยังไงใช่ไหมใจมันไม่มีความสุขมันจะพอได้ยังไงเหมือนห้องเนี้ยนะ ถมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มพอมไม่เต็มก็มีที่ถมอีกใช่มันก็จะดูดเอาข้างนอกเข้ามาอีกแต่ถ้าข้างในนี่มันเต็มแล้วนะมันอยากจะเอาข้างนอกเข้ามาอีกไหมไม่เห็นไหมพอมันมีความสุขเสร็จปุ๊บไอ้ความสุขข้างนอกเนี่ยเป็นของเล่นเป็นของส่วนเกินนะฮะเรามีวัตถุมีปัจจัยอะไรเราพร้อมที่จะให้คนอื่นให้ลูกให้ล้านความสุขที่เรามีเราก็พร้อมที่จะแผ่ให้คนอื่นเห็นไหมมีความปรารถนาดีมีการให้อภัยปล่อยวางได้เห็นไห ม, มันไปในเรื่องเดียวกันทั้งหมด แต่ถ้าเราไม่พอที่ใจนะไม่มีทางหรอกและเราจะพอที่ใจนะไม่ได้ถ้าใจของเราเนี่ยไม่มีสติสมัญญาคอยปกป้องดูแลใจที่ไม่มีสติสมัญญามันก็จะไม่รู้ความจริงพอไม่รู้ความจริงก็ก็อยากนะเพราะอยากว่ามันหิวเพราะมันไม่มีความสุขเห็นมมันวนกันอยู่อย่างนี้เองสองวงจรเลือกเอานะวงนึงนะเป็นวงวนวงทุกวงอยากวงยึดอีวงนึงนะเป็นวงว่างเป็นวงวางเป็นวงปล่อย เป็นวงสุขเราสามารถเลือกได้ทำแทนกันไม่ได้นะครับทาแทนกันไม่ได้พ่อแม่ทำแทนลูกก็ไม่ได้ลูกทำแทนพ่อแม่ก็ไม่ได้สามีภรรยารักกันขนาดไหนก็ทำแทนกั น, กนไม่ได้น ะ, ะงั้นทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของของตัวเองเราสามารถเลือกที่จะไปได้ด้วยเส้นทางนี้นะฮะเลือกเอานะะทางสุขทางทุกทางพ้นสุขทางพ้นทุกเนะะี่ยะพุทธศาสนามีคุณค่ามากกว่าการ ทำให้เราเป็นคนดีเฉยๆการเจริญสติทําให้เรารู้จักชีวิตว่าชีวิตเนี่ยจริงๆว่ามันมีคุณมีค่ามากกว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมดาอีกมากนะอีกมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้สัมผัสมานะครับผมปฏิบัติเจริญสติมานี่ก็ประมาณ7ปีปีนี้เป็นปีที่7นะครับก็ได้รับความสุขตามอัตภาพตามกําลังสติปัญญานะครับก็อยากเอามา ส่งข่าวนะครับส่งข่าวให้กับญาติธรรมนะที่อยู่คุ้มชมดาวเนี่ยนะครับได้รับรู้รับทราบเป็นกําลังใจเป็นแง่คิดเป็นมุมมองนะครับมันตัวปฏิบัติของพวกเราเนี่ยถูกแล้วนะถูกล้รู้สึกตัวเนี่ยนะมันถูกแต่ต้นมือแล้ะแต่ทําให้ถูกนะรู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งเอานะะเดินก็ไม่ใช่จ้องเอานะนะครับถ้าทําอย่างนี้นะมันผิดตั้งแต่ต้นทางแล้วนะจะไปเชียงใหม่แต่ขึ้นหัวลาโพงแล้วป้ายเขาเขียนไว้สงขาเนี่ยนะ มันก็คงจะถึงเมือนกันหลักเชียงใหม่นะแต่มันต้องวิ่งอ้อมไปอีกโลกหนึ่งนะฮะกลับมาย้อนมาสู่ขั้วโลกเหนือแล้วย้อนกลับมาสู่เชียงใหม่นะครับเพราตัวปฏิบัติเนี่ยต้องทําให้ถูกนะยกมือท่านบอกว่าให้ยกแล้วหยุดเคลื่อนแต่ละครั้งหยุดเอามาหยุดนะไม่ใช่ยกยึกยึกยึกยึกไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะพวกนี้ใหม่ๆเหมือนจะรู้แต่ว่านานๆไปจะเผลอเพลินไปเฉยนะเราต้องการยกมือแล้วรู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกตัว มันเพ้อคิดเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่รู้อยู่การยกมือมันเพ้อคิดเรื่องของมันเห็นไหมเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเราพอมันมีความง่วงกิขึ้นเอ้าความง่วงมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรายกมืออยู่นี่ง่วงเรื่องหนึ่งน่ยไม่เกี่ยวกันนะอย่าไปต่อสู้กับเขาอย่าไปกําจัดเขาให้เขาเห็นเขาเหมือนครูเห็นเขาเหมือนแบบฝึกหัดเหมือนข้อสอบนะมันเป็นเรื่องของเขาเขาแสดงความจริงให้เราดูอยู่นะอย่าเพิ่งไปปิดประตูไล่เขาอย่าเพิ่งไปยิงปืนใส่เขา เห็นไหมฮเนี ública, uh, ่ยด e ีแล้วนะดีแล้วเข้ามาเนี่ยนะความง่วงเนี่ยซื้อเอาไม่ได้แล้วเนี่ยความขี้เกียจเนี่ยอยู่ๆจะไปซื้อมาได้ไหมไม่ได้หรอกต้องเดินจงกรมสักพักหนึ่งมันจะขี้เกียจให้เห็นนะเราทุกกับความขี้เกียจมามากเราทุกกับความง่วงมาเยอะหรือว่าแม้แต่ความไม่ง่วงเนี่ยเราก็จะทุกกับมันนะเวลาถ้าเราอายุมากเห็นไหมนั้นถ้าเราฝึกตรงนี้ไว้ฝึกใจของเราให้มีความอดทนต่ออารมณ์ของเราได้เห็นอารมณ์ของเราตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของเกิดดับ ไม่มีตัวไม่มีตนบังคับบัญชาไม่ได้ใจมันยอมรับได้อย่างนี้นะฮะความสุขความสงบจะเกิดขึ้นอย่างจริงๆเลยนะอย่างจริงๆแล้วก็สามารถทําได้ทุกๆคนด้วยนะฮะทําได้ทุกๆคนไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยอาศัยความเพียรเอานะครับอาศัยความเพียรความเพียรในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเดินจงกรมทั้งวันต้องสร้างจงังหวะทั้งวั น, นะะยิ่งเรามีการมีงานเนี่ยเราจะมาเดินจงกรมทั้งวันปฏิบัติอย่างนี้ทั้งวันเป็นไปไม่ได้นั่นเราต้องอาศัยการทํางานนั่นแหละ รู้สึกตัวเหวกการทํางานใช่ไหมฮะรู้สึกตัวแหวกการทํางานกําลังทํากับข้าวกาลังหั่นผักกําลังต้มแกงกำลังกวาดบ้านถูบ้านกํากลังทานอาหารล้างหน้าหวีผมแปรงฟันเห็นไหมฮะการจับจอบจับเสียมการพูดการคุยพยายามรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราอยู่กับตัวเราถ้าใครมีความมุ่งมั่นอย่างนี้นะฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีแวว <c oughs> คนมีแววนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเดี๋ยวสองทุ่มเราจะนั่งสมาธิเจริญสตินะ แล้วตอนเช้าตัางตื่นนอนจะทำอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะฮะยังไล่แววอยู่เพราะว่าอีกหลายสิบชั่วโมงเนี่ยถูกความหลงเล่นงานไปเรียบร้อยใช่หมมันมืดหลายชั่วโมงแล้วเกินเนี่ยอยู่ๆจะมาทำแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมันจะมารู้มาแก้ไขมันไม่ค่อยอยุติธรรมใช่ไหมไม่ค่อยยุติธรรมนั้นถ้าใครมีความมุ่งหวังตรงนี้นะครับว่าจะใช้กายใช้ใจของเราที่เป็น เนื้อหนังนะหรือว่าหน่อเนื้อของบรรพบุรุษของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทาตรงนี้ดูมีสติอยู่พยายามทั้งวันนะทั้งวันเดินเดินอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่เดินแล้วใจเราอยู่ที่ไล่อ่อยนะอยู่ที่ทํางานเดินก็คืออยู่ที่การเดินหวดนี่ก็อยู่ที่การหวดเนี่ยเห็นไหยถ้าเราทําอย่างนี้นะได้ทั้งวันเนี่ ย, ยเขาเรียกว่ามีแววมีแววพ้นทุกนะฮะลงทะเบียนไว้ละลงทะเบียนผู้พ้นทุกไว้และถ้าเราอยากแล้วเราไม่ทํำนะ ไม่มีสิทธิ์นะครับมันอยากเอาไม่ได้นะเพราะว่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องทําต้องสะสมด้วยตัวเองบุญเก่าที่เลยทําไว้มีแต่ถ้าเราไม่ทําไม่ต่อยอดนะครับบุญก็จะเสื่อมนะครับบุญก็จะเสื่อมปัญญาก็จะโทมนะครับลองทําดูนะทําเล่นๆผ่อนคลายรู้สึกเฉยๆเฉยๆอย่า ง, งนะี้นะแล้วมันจะมีความสุขเองลองเดินแล้วเรารู้อยู่แต่ละก้าวละก้าวละก้าวเนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับ